คุณค่าของชีวิตที่ให้ไว้แก่แผ่นดินแม้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จจะทรงดำรงพระชนชีพอยู่ในสมณเพศมาโดยตลอดแต่ความเป็นไปในพระชนชีพของพระองค์สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีได้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือข้ารือหัต เพราะแก่นแท้ของชีวิตหรือว่าส่วนที่เป็นความดีของชีวิตที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการสร้างความดีให้แก่ตนเองและสังคมนั้นก็คือคุณธรรมและคุณธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมของบันพชิตหรือคุณธรรมของขรือหัดก็คือคุณธรรมอันเดียวกันเช่นเมตตาการุณาไม่ว่าจะเป็นเมตตาการุณาที่มีอยู่ในจิตใจของพระหรือมีอยู่ในจิตใจของชาวบ้าน ก็เป็นเมตตากรุณาอันเดียวกันพระประวัติชีวิตและผลงานของเจ้าพระคุณสมเด็จให้สิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การยึดถือเป็นแบบอย่างของคนทั่วไปอย่างน้อยสองประการคือชีวิตแบบอย่างและปฏิปทาแบบอย่าง ชีวิตแบบอย่างชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นก็ไม่แตกต่างไปจากชีวิตของคนทั่วๆไปคือมีทั้งผิดหวังและสมหวังมีทั้งสำเร็จและล้มเหลวมีทั้งดีใจและเสียใจแต่โดยที่ทรงมีคุณธรรมหลายประการที่โดดเด่นเป็นแกนหรือเป็นแก่นของชีวิตชีวิตของพระองค์จึงมีความสมหวังมากกว่าผิดหวัง มีความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวและมีความดีใจมากกว่าเสียใจกล่าวโดยรวมก็คือด้วยคุณธรรมอันเป็นแกนของชีวิตดังกล่าวพระองค์จึงทรงประสบความสำเร็จหรือทรงเจริญก้าวหน้าไปตามคันลองของชีวิตจนถึงที่สุดดังที่ปรากฏอยู่ในบัตรนี้หากวิเคราะห์ตามที่ปรากฏในพระประวัติก็จะเห็นได้ว่าพระคุณธรรมที่โดดเด่นในชีวิตของพระองค์ก็คือ อดทนไฝ่รู้กระตันยูถ่อมตนคาระวะธรรมพระคุณธรรมประการแรกที่ปรากฏเด่นชัดในชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จก็คือความอดทนหรือขันติเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีพระสุขภาพอ่อนแอไม่แข็งแรงมาตั้งยาวไวยและมีผลสืบเนื่องมาจนถึงเมื่อทรงบรรพชาเป็นสัมมเนรพระสุขภาพที่อ่อนแอ นับเป็นอุปสรรคสำคัญของการศึกษาเล่าเรียนพระองค์ต้องส่งใช้ความอดทนอย่างหนักจึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรคแต่ละขั้นตอนมาได้ส่งเล่าว่าบางครั้งเมื่อถึงเวลาสอบต้องส่งใช้ผ้าสักหลาดพันรอบอกหลายชั้นเพื่อไม่ให้เกิดอาการหนาวสั่นในเวลานั่งสอบนอกจากจะต้องอดทนต่อความไม่สมบูรณ์ของร่างกายแล้วยังต้องอดทนต่อเสียงคอนแคะของเพื่อนร่วมสานัก อีกนานับประการแต่สิ่งเหล่านี้แทนที่จะทําให้กําลังพระไทยลดน้อยลงแต่กลับทําให้ทรงรู้สึกว่าจะต้องมีความอดทนมากขึ้นพระคุณธรรมที่โดดเด่นประการต่อมาก็คือความใฝ่รู้หรือสิกขกามตาเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นผู้ใฝ่รู้มาโดยตลอดแม้เมื่อทรงเป็นพระมหาเถระแล้ว พระอัธยาสายไฟรู้ของพระองค์ก็ไม่เคยจืดจางได้ส่งสแสวงหาความรู้อยู่เสมอด้วยการส่งอ่านหนังสือทั้งที่เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษหนังสือดีมีประโยชน์บางเรื่องที่ส่งอ่านแล้วอย่างทรงพระเมตตาแนะนําให้ผู้ใกล้ชิดอ่านด้วยโดยมักมีรับสั่งว่าเรื่องนี้เขาเขียนดีน่าอ่าน พระคุณธรรมข้อกระตันยูดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีพระคุณธรรมข้อนี้อย่างเด่นชัดและทรงหาโอกาสสนองคุณของผู้ที่มีพระคุณต่อพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยอยู่เสมอดังเช่นเมื่อทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรก็ทรงรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บสุขญาณสังวร ที่ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรเป็นรูปแรกในยุคกรุงรัตนโกสินเพราะหากไม่มีสมเด็จพระญาณสังวรในวงเล็บสุขเป็นรูปที่หนึ่งก็คงไม่มีสมเด็จพระญาณสังวรคือพระองค์เองเป็นรูปที่สองฉะนั้นเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาจึงเสด็จไปถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรในวงเล็บสุขที่วัดราชสิทธาราม เป็นประจําทุกปีตลอดอีกกรณีหนึ่งเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวราพรและทรงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารใหม่ๆพุทธศักราช2504คราวหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บอยู่วัดสะเกตได้ทรงปรารภกับพระองค์ด้วยความห่วงใยว่าเจ้าคุณจะเอาวัดบวรไว้อยู่หรือ ซึ่งหมายความว่าจะปกครองวัดบวรนิเวศวิหารที่เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญทั้งมีพระเทระที่มีอาวุโสมากกว่าอยู่มากองค์ในขณะนั้นให้เรียบร้อยได้หรือด้วยพระปรารภดังกล่าวนี้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงถือว่าสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บอยู่ทรงมีพระเมตตาต่อพระองค์จึงทรงรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นอยู่เสมอ เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาจึงทรงไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นนับแต่เมื่อยังมีพระชนอยู่และตลอดมาจนบัดนี้พระคุณธรรมข้อถ่อมตนหรือนิวาตะเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีความถ่อมพระองค์มาแต่ต้นเพราะความถ่อมตนเจ้าพระคุณสมเด็จ จึงทรงเป็นพระเทระที่สงบส ง, งยมสำรวมระวังตรัดน้อยและไม่ชอบแสดงตนดังเช่นในการสอนสมาธิกรรมฐานพระองค์ก็ไม่ได้แสดงพระองค์ว่าเป็นผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญกว่าใครๆแต่มักตรัดว่าแนะนำในฐานะผู้ร่วมศึกษาปฏิบัติ ด, ด้วยกันบางครั้งมีผู้กล่าวถึงพระองค์ว่า เป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงทราบจะทรงแนะว่าไม่ควรกล่าวเช่นนั้นเพราะใครๆไม่ควรที่จะอวดอ้างตนว่าเป็นครูอาจารย์ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกคนมีหน้าที่ต้องถวายงานสนองพระราชประสงค์เท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าประคุณสมเด็จทรงเป็นกรรมการมหาเถระสมาคม มาตั้งแต่ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภนและทรงเป็นตลอดมาทุกสมัยในการประชุมมหาเทระสมาคมแต่ละครั้งเจ้าพระคุณสมเด็จประทับเก้าอี้ท้ายแถวเสมอกระทั่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บจวนซึ่งทรงเป็นประธานกรรมการมหาเทระสมาคมในขณะนั้นทรงทักแบบสัพยอกด้วยพระเมตตาว่าเจ้าคุณสานั่งไกลนัก กลัวจะเป็นสมเด็จหรือไงพระคุณธรรมข้อคารวะธรรมคือความเป็นผู้มีความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพคารวะธรรมประการแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จก็คือความเคารพในพระรัตนตรัยความเคารพในพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงออกด้วยการเคารพต่อพระพุทธรูปในทุกสถานการณ์ดังเช่น ทรงแนะนำภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่าการลงบททำวัดเช้าค่ามนั้นก็เหมือนการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าประจำวันทำให้รำลึกถึงพระพุทธคุณจิตใจไม่ห่างไกลาจากพระธรรมข้อที่ทรงแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือพระพุทธรูปไม่ควรตั้งวางในที่ต่ำหรือในที่ที่จะต้องเดินข้ามไปข้ามมาเป็นต้นความเคารพต่อพระธรรม ก็ส่งแสดงออกด้วยการเคารพต่อพระคัมภีร์เช่นพระคัำพีทางพระพุทธศาสนาทุกชนิดทรงเก็บรักษาไว้ในที่สูงเสมอไม่เก็บไว้ในที่ที่ต้องเดินข้ามเดินผ่านเช่นกันแม้หนังสือธรรมะทุกชนิดก็ไม่ทรงวางบนพื้นธรรมดาต้องวางไว้บนที่สูงเช่นบนโต๊ะบนผานเป็นต้นหากทรงเห็นใครวางหนังสือธรรมะบนพื้นก็จะตรัสเตือนว่า นั่นพระธรรมอย่าวางบนพื้นความเคารพในพระสงฆ์ก็ทรงแสดงโดยทรงมีความเคารพต่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือที่เรียกกันว่าพระกรรมฐานเป็นพิเศษเช่นเมื่อพระกรรมฐานเป็นอาคารตุ ก, กะมาสู่พระอารามแม้จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าก็ทรงต้อนรับปฏิสันถานด้วยความเคารพ พระคุณธรรมข้อนี้ที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปก็คือทรงแสดงความเคารพต่อพระเทรรผู้มีอาวุโสมากกว่าพระองค์ทุกรูปไม่ว่าพระเทรรรูปนั้นจะเป็นภิกษุธรรมดาไม่มียศศักดิ์อะไรหากมีอาวุโสพันษามากกว่าพระองค์ก็ทรงกราบแสดงความเคารพเสมอเมื่อมีพระสงฆ์จากที่ต่างๆมาเข้าเฝ้าหากมีพระเทระผู้เท่ามาด้วยก็จะทรงถามก่อนว่า ท่านพรรษาเท่าไรหากมีอายุพรรษามากกว่าจะท่งนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะและทรงกราบตามธรรมเนียมทางพระวินัยพระคุณธรรมเหล่านี้ทําให้ชีวิตของเจ้าประคุณสมเด็จเป็นชีวิตที่งดงามหรือกล่าวอย่างภาษาชาวโลกก็คือเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จเป็นชีวิตที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้สาหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือขรอหั ไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางโลกหรือชีวิตทางธรรมปฏิปทาแบบอย่าง กานกล่าวถึงพระคุณธรรมในชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จข้างต้นนั้นเป็นการมองชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จในภาพรวมเช่นกับชีวิตของคนทั่วไปว่าส่งมีอะไรบ้างส่งทำอะไรบ้างแต่ถ้ามองชีวิตของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งก็จะเห็นแบบอย่างของชีวิตในทางธรรมะที่ชัดเจนอีกภาพหนึ่งนั่นคือปฏิปทาแบบอย่างสาหรับพระสงฆ์ทั่วไป พระปฏิปทาอันเป็นแบบอย่างดังกล่าวก็คือความเป็นผู้ทรงปริยัตและไม่ทิ้งปฏิบัติความเป็นผู้สำรวมระวังในพระวินัยความเป็นผู้มักน้อยสันโดษพระปฏิปทาประการแรกคือทรงเป็นผู้ทรงปริยัตและไม่ทิ้งปฏิบัติเจ้าพระคุณสมเด็จทรงสำเร็จภูมิป ร, ริยนธรรมเก้าประโยคอันเป็นชั้นสูงสุดของหลักสูตรการศึกษาด้านปริยัตของคณะสงฆ์ นอกจากจะทรงสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดแล้วยังทรงใฝ่แสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาและความรู้ด้านอื่นๆอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางพระพุทธศาสนาหรือความรู้ทางธรรมะนั้นพระองค์ทรงใช้การพิจารณาไตรตรองเพื่อความแจ่มแจ้งในธรรมะอยู่เสมอไม่ทรงถือพระองค์ว่าเป็นผู้รู้แล้วแต่ทรงถือพระองค์ว่าเป็นผู้กําลังศึกษา ดังที่มักทรงกล่าวในเวลาทรงสอนธรรมะแก่คนทั้งหลายด้วยความถ่อมพระองค์ว่าในฐานะผู้ร่วมศึกษาปฏิบัติ ธ, ธรรมด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันเจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงเอาพระไัยใส่ในการปฏิบัติด้วยกล่าวคือทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพระองค์จะประทับอยู่ในพระอารามที่อยู่ท่ามกลางบ้านเมืองที่เรียกว่า คามวาสีแต่พระองค์ก็ทรงปฏิบัติพระองค์ตามอย่างของพระที่ประจำอยู่ในวัดถ้ำกลางป่าเขาที่เรียกว่าอรัญยวาสีกล่าวคือในตอนกลางวันก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติกิจวัตรต่างๆตอนกลางคืนก็ทรงไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแล้วทำสมาธิกรรมฐานอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงและจึงบรรทม ทรงตื่นบรรทมเวลาสามนาฬิกาครึ่งอย่างพระวัดป่าทั่วไปหลังจากทากิจส่วนพระองค์เรียบร้อยแล้วทรงทาวัดสวดมนต์ประจำวันแล้วทรงสวดพระสูตรต่างๆบ้างทรงทบทวนพระปาฏิโมกข์เป็นตอนๆบ้างแล้วทรงทำสมาธิกรรมฐานจนถึงรุ่งอรุณจึงเสด็จออกบินธบาตแม้เมื่อทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จ ก็ยังเสด็จออกบินทบาทยกเว้นวันที่มีศาสน ก, กิจอื่นเพราะทรงถือว่าการเดินบินทบาตเป็นกิจวัตรของพระและเป็นการออกกำลังไปพร้อมกันด้วยการปฏิบัติสมาธิก ร, รมฐานนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงถือเป็นหน้าที่ที่ภิกษุสามเณรพึงปฏิบัติทรงแนะนำภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่า การปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้นเป็นการหางานให้ใจทำใจจะได้ไม่ว่างหากใจว่างใจก็จะฟุ้งซ่านวุ่นวายไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องที่สำคัญคือการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นการรักษาใจให้สงบซึ่งจะช่วยให้ภิกษุสามเณรดํารงอยู่ในสมณะเพศอย่างเป็นสุขภิกษุสามเณรที่ไม่เคยปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้น มักจะเป็นอยู่อย่างไม่เป็นสุขหรือที่สุดอยู่ไม่ได้ก็ต้องลาสิกขาออกไปความเป็นผู้สำรวมระวังในพระวินยัยหรือกล่าวอย่างสั้นๆก็คือความเคร่งครัดในพระวินยัยพระปฏิปทาข้อนี้ย่อมเป็นที่ปรากฏ ต, ต่อสายตาของคนทั่วไปผู้ได้เคยพบเห็นเจ้าประคุณสมเด็จเป็นต้นว่าทรงเป็นผู้สงบนิ่ง พูดน้อยไม่ว่าประทับในที่ใดทรงอยู่ในพระอาการสำรวมเสมอความเป็นผู้มักน้อยสันโดษเจ้าพระคุณสมเด็จทรงปฏิบัติพระองค์อย่างเรียบง่ายแม้ที่อยู่อาศัยก็ไม่โปรดให้ประดับตกแต่งทรงเตือนภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่าพระเนนไม่ควรอยู่อย่างหรูหรา พระปฏิปทาข้อนี้ที่ปรากฏอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ทรงสะสมวัตถุสิ่งของที่มีผู้ถวายมาทรงแจกจ่ายต่อไปตามโอกาสครั้งหนึ่งมีผู้แสดงความประสงค์จะถวายรถยนต์สำหรับทรงใช้สอยประจำพระองค์เพื่อความสะดวกในการที่จะเสด็จไปทรงปฏิบัติภารกิจในที่ต่างๆส่วนพระองค์พระองค์ก็ตอบเขาไปว่าไม่รู้จะเอาเก็บไว้ที่ไหน จึงเป็นอันว่าไม่ทรงรับถวายในว่าโรกาสทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ8ปสิพรรษาหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ท, ทูนถวายจะตุปปัจจัยร่วมบำเพ็ญพระกุศลเจ็ดล้านบาทเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อคูณแล้วตรัสกับหลวงพ่อคูณว่า ขอถวายคืนร่วมทำบุญกับหลวงพ่อด้วยกันแล้วกันก็เป็นอันว่าทรงรับถวายแล้วก็ถวายคืนกลับไปเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเตือนภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่าเป็นพระต้องจนและไม่เพียงแต่ทรงสอนผู้อื่นเท่านั้นแม้พระองค์เองก็ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นพระที่จนเหมือนกันครั้งหนึ่ง หลังจากทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วไม่นานนักสิทธิ์ใกล้ชิดคนหนึ่งมากราบทูลว่าขณะนี้วัดที่เมืองการกำลังสร้างสะพ า, านข้ามแม่น้ำเกือบจะเสร็จแล้วยังขาดเงินอีกราวเจถึงแสนบาทอยากกราบทูลใต้ฝ่าพระบาทสเสด็จไปโปรดสักครั้งสะพานจะได้เสร็จเร็วๆไม่ทราบว่า ใต้ฝ่าพระบาทจะพอมีเวลาเสด็จได้หรือไม่กระหม่อมเจ้าพระคุณสมเด็จตรัสตอบว่าเวลาเน่ยพอมีแต่เงินตั้งแสนจะเอาที่ไหนเพราะพระไม่มีอาชีพการงานไม่มีไรายได้เหมือนชาวบ้านแล้วแต่เขาจะให้พระปฏิปทาของเจ้าพระคุณสมเด็จในฐานะที่ทรงเป็นพระรูปหนึ่งจึงเป็นที่น่าประทับใจ เป็นพระปฏิปทาที่ควรแก่การยึดถือเป็นแบบอย่าง